9. สาสังกะสิกขาบท 52. ถามทรงบัญญัตินิสักคยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้เก็บไรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวะกบ้านแล้วอยู่ปราดเกินหกคืนณนที่ไหนตอบทรงบัญญัตนกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบไกรตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูป ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเก็บไรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวะกบ้านแล้วอยู่ปราดเกินหกคืนในสาสังกสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกธินะสมุดฐาน